บุ <Book> <25 S 2> ๊กทูยี่สิห้าในเมืองชาวาเร่ชาวาเรดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟอามีสเตชันเจเไอามสเตชัน ดิฉันต้องการไปที่สนามบินอาหมีบินาบอลโดเรเจเจชอาหมบินานบอลโดเรเจตเจชดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองอาหมีซิตี้เซ็นเตอร์เรเจตเจชอาหซิตี้เซ็นเตอร์เรเจต ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะอาม่กีบับสเตชันเนจ้าบอาม่ีบสเตชันเนจบดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะอาเมีบบบีมนบอนดเนจ้าบอาม่กีบับบีมนบอนดเจบดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะอาม คิ ভ া ব েไปมหรดิฉันต้องการแท็กซี่อามาร์เอแท็กซี่ใจอามาเอแท็กซี่ดิฉันต้องการแผนที่เมืองอาม র ร์โฉ่หรือเร็กามันชิตรใจ ชาวหรือเรียกตาแมพบ่ามานชิตโรจดิฉันต้องการโรงแรม আ ามาร์เอคตาโฮเทลชัยอดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ আমি এক อাตาการีจัยอามีเอครีบาราจ นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ A Amar Credit Card A Amar Credit c a r นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะอ Amar l i c e s e A Amar License ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะชาวเรดิชมา r ์มัตุคีอาเ শহরে দেখবার ম ত ์มอตุกี่อคุณไปเมืองเก่าสิคะอาบนีปูรโอ শ হ র েวা ন আপনি প ু র น ন ปูรโจคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะาบนีชาวเรดภูเรดดีขึ้นจานอาบนีชาวเรดภู คุณไปที่ท่าเรือสิคะอาบเน่บอนดอรูรบ่อนจานไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะาบเน่บอ อ, อบเ น, นยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะเอชอะร